การเจริญสตินั้นเราทําเพื่อการศึกษาไม่ได้ทำเพื่อการเอาผลถ้าคิดว่าเราทำมาเพื่อการเอาผลแล้วมันผิดเพราะทําเพื่อการเอาผลนั่นเป็นเรื่องของทางโลคิยธรรมไม่ใช่โลกุตรธรรมแต่โลกุตรธรรมมันมั น, ม, นมันเหมือนกับลูกกับนามอ่ะลูกสัมผัสได้แต่น้ำสัมผัสไม่ได้เลยเพราะนั้นลักษณะการศึกษาก็เช่นเดียวกันถ้าสมมุติ เราปฏิบัติเพื่อจะเอาอะไรสักอย่างเอาความว่างเอาความสุขเอาความสงบอะไรอย่างที่เราหวังเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่เป็นเพราะเราทำเหตุไม่ถูกเหตุถูกเช่นว่าเราเดินก้าวซ้ายเหยียบก้าวขวายกพอก้าวซ้ายเหยียบก็จะรู้สึกหนักที่เท้าซ้ายพอขวายกก็จะเบาที่เท้าขวาอพอขวายเหยียบ ความหนักย้ายมาที่เท้าขวาความเบาไปอยู่เท้าซ้ายที่นี่กรณีที่เราเดินเร็วจงวังหวะเหยียบเนี่ยมันจะแรงขึ้นแรงสั่นสะเทือนซึ่งพูดมาตอนเช้าว่าเหมือนเราโยนหินลงที่น้ําถ้ามันตกแรงแรงสั่นสะเทือนก็แรงเป็นคลื่นถ้าเราเหยียบเบาแรงสั่นสะเทือนก็เบาคลื่นก็เบ า, เบาหรือแทบไม่มีคลื่นนั้นการขยายตัวของคลื่นเวทนา การขยาขึ้นของความหนักเห็นการกระทบก็จะบอลลงไปเมื่อขึ้นของความหนักของเวทนามันมันไม่สั่งสมมันก็จะทำให้ไม่ตกค้างในแข้งขาเราเดินมาห้ารอบสิบรอบเราก็เหมือนไม่ได้เดินเพราะมันตัดกันไปในตัวหนักเบาเหมือนกัหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนลบกันพอดีแต่ในกรณีที่หนัก เรานั่งเนี่ยมันจะหนักเพราะเพราะอะไรเพราะมันบวกอยู่ที่เรานั่งทับเราถือว่าส่วนหนักนี่คือบวกส่วนเบาเป็นลบนะสมมุติเอาแต่พอเราขยับทีนึงเบาแต่พอนั่งทับเข้าไปใหม่ทีนี้เราไม่ได้นั่งหรือเปลี่ยนการทุกวินาทีเหมือนเราการเดินนั่งไปสิบนาทีอาจจะขยับได้ทีนึงนะเพราะนั้นมันก็จะเหลือเวทนาอยู่เก้ามันหายไปแค่หนึง่ง เข้าใจเนาะอถ้าเรานั่งไปยี่สิบเราขยับหนึ่งเวนาหายไปหนึ่งแต่เหลืออยู่สิบเก้าส่วนที่เหลืออยู่ก็คือเพิ่มน้ําหนักที่ตกค้างอยู่ในแข้งขาในร่างกายของเราเนะฮะฮะเราจะเห็นว่าถ้าเราสมดุลทุกไม่เป็นเนี่ยมันก็จะทําให้เราไม่เข้าใจว่าทําไมมันจึงไม่อยากทำํำก็เพราะว่าเราบอบบาดทุก์ไม่เป็นที่มันสั่งสม แต่พอเรามีการศึกษามีการสังเกตว่าในร่างกายของเรามีเกิดมีดับมีบวกมีลบมีหนักมีเบามีเข้ามีออกถูกมีผิดมีดำมีขาวมีดีใจมีเสียใจมีสบายมีหนักมันจะสลับกันไปอย่างเงี้ยแต่นี่คือผลกระทบต้นตอนมาจากคือการเกิดและการดับแต่ผลมันออกมาเป็นของคู่ทั้งหมดลักษณะของคู่นี้เองมันจึงเป็นสมูทัย อเป็นสมุทยัยเพราะฉะนั้นใ้ส่วนที่เป็นรูจะต้องเป็นคู่แต่เมื่อใดมันตัดถูกเหลือเดียวเหลือศูนย์หรือเหลือหนึ่งหรือศูนย์มันไม่มีคู่ถ้ามีหนึ่งก็ต้องมีสองแต่ถ้ามันมิถ้าเป็นศูนเนี่ยมันมไม่เปหนึ่งไม่เปสองมันหมดมีพุทธภาษิตบทหนึ่งหน้าคิดทีเดียวในว่าด้วยเรื่องจิตว่า ปรปมาังหิตังจิตังปริปุนังสุภาวิตังปรปมาณังคตังก ม, มังตัตราวิสสติหนตังตัตนาวิสสติพุทธวบุดวนนีแ้แปลว่าจิตที่อบรมดีแล้วเป็นจิตที่หาประมาณไม่ได้ กรรมที่พอประมาณกรรมนั้นจะไม่เหลือในจิตนั้นเขาว่ากรรมที่พอประมาณหมายเขาว่ามันสมดุลกันกรรมหนักกับกรรมเบาสมดุลกันมันก็จะไม่เหลืออันนี้พุทธพาสิทธ์นะพุทธพจน์แต่เราไม่เคยตีโจทย์ตัวนี้แตกมันก็เลยมาใช้ไม่ได้ประมาณนังหิตังจิตตังหนตังตตราวิสิสธิกรรมที่ทําพอประมาณกรรมนั้นจะไม่เหลือในจิตนั้นกรรมที่พอประมาณหมายความว่ามันสมดุลกัน หนักกับเบาสมดุลกันมันก็กลายเป็นศูนย์ไม่เหลืออันนี้พุทธพจน์ตรัสแต่ว่าเราไม่มาพิจรารณามันก็ไม่ใช้ไม่ได้เพราะนั้นยกมือนกันนะยกขึ้นนี่ถือว่าหนักใช่ไหมลงไปไงเบาขึ้นสังเกตนะลองลองดูไม่ใช่ว่าจะยกแวบๆโดยที่ไม่สังเกตว่าอันไหนหนักอันไหนเบา ลองลองพร้อมกันช้าชหยุดกับเคลื่อนอันไหนหนักอันไหนเบาสังเกตให้ดีหยุดกับเคลื่อนอันไหนหนักอันไหนเบาหยุดกับเคลื่อนทำไมถ้าไม่ชัดเจนลองเคลื่อนลองหยุดดูไหมหยุดกับเคลื่อนอันไหนหนักอันไหนเบาเหมือนคนหาบของระหว่างหาบของเดินไปกับวางของลงอันไหนหนักอันไหนเบาถ้าวางของลงยังหนักอยู่ก็ไม่ใช่แล้วผิดปกติแล้ว เหมือนกันการเคลื่อนหนักการหยุดเบาเปรียบเส ม, มือนคนหาบของผูแแบกของเขาก็จะหนักแต่เมื่อไรเขาหยุดโดยที่ไม่เอาของลงจากบาหยุดก็จะหนักกว่าเคลื่อนใช่ไหมหยุดแล้วต้องเอาของลงจากบาด้วยมันถึงจะเบาหยุดนั้นถึงจะเบาออทีนี้เราจะเอาของลงจากบาดได้ยังลองดู ได้คำ ต, ตอบหรือยังระหว่างหยุดกับเคลื่อนไหนหนักไห น, นเบาในการปฏิบัตินะั้นเราต้องสังเกตไปศึกษาไปเฝ้าดูไปบอกไม่มีอะไรเลยเป็นไปไม่ได้มันมีแต่เราไม่เห็นไม่ทำไปแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยเพราะยังไม่เกิดดวงตาถ้าเกิดดวงตาแล้วมันจะเห็นเยอะแยะไปหมดเลยนะเช่นั้นในการศึกษาวิพัสนานั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันสมถะทาง่าย เพราะใช้อำนาจบังคับเอาแต่ผลออกมาไม่ไม่ยั่งยืนแต่วิปัสนาถ้าคนทําเป็นก็จะทําง่ายแต่คนทําไม่เป็นก็จะทํายาก อ, อยู่ที่นั่นด้วยหั น, นั้นต้องทําไปด้วยการที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านใช้คาว่าไตรสิขาศึกษาเรื่องกายเลวศีลศึกษาเรื่องจิตเลวสมาธิ ศึกษาเรื่องอารมณ์หรือว่าปัญญาต้องศึกษาจะรักษาศีลไม่ศึกษาศีลก็รักษาศีลผิดเป็นสีด า, าประดาประมาทจะทำสมาธิก็ต้องศึกษาจิตโดยจิตแต่สีขาไม่มีคําว่าสมาธิสีขาเป็นจศึกษาจิตสมาธิก็เกิดเองถ้าไปนั่งสมาธิดยที่ไม่ศึกษาไม่รู้เรื่องของจิตนั่งเท่าไหร่ก็เป็นสมาธิไม่ได้ แล้วก็ศึกษาอารมณ์ผลพวงอันเกิดจากสิ่งที่มากระทบกายและจิตออกมาเป็นอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายอารมณ์ชอบอารมณ์ไม่ชอบอารมณ์รักอารมณ์ชังอารมณ์โกรธอารมณ์เปียดอารมณ์ดีอารมณ์เสียมันก็จะพอเราไปศึกษามันเข้ามันจะเกิดเป็นปัญญานะอันนั้นเองกายก็ศึกษาในหลายมิติศึกษาเรื่องกาย ในกายเรามีท่าสี่อาการสามพิศสองแล้วก็รูปสี่รูปยี่สิบสี่เรื่องกายรูปประธานมหาภูตา ร, รูปสี่อุปทัยรูปยี่สิบสี่ก็ต้องดูเข้าไปให้ละเอียดศึกษาเวทนาทั้งเวทนาสามเวทนาเก้าก็ศึกษาลงลงไปศึกษาจิตทั้งจิตสามทั้งจิตสิบหกก็ศึกษาลงไป อีกสายเรื่องลมทั้งลมเข้าและลมออกและลมทั้งสิบหกระดับนะที่เราสวดมาตอนเช้า น, นั่นเองจุดนี้เองจึงเป็นจุดที่เราต้องใส่ใส่ใจในการปฏิบัติเพราะงานนี้ผ่านไปบอเออไม่ได้อะไรเลยถ้าไม่ศึกษาแน่นอนไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าศึกษาอเป็นเรื่องพึ่งเราน่าจะศึกษาตั้งนานแล้วเพราะมันเป็นศึกษาเพื่อการ รู้จักวิธีการแก้ปัญหาและความทุกข์โดยเฉพาะถ้าเรารู้เรื่องนี้ตั้งแต่แรกชีวิตเราจะไม่มีปัญหาเลยเพราะมันรู้วิธีแก้แต่กว่าเราจะมารู้เรื่องนี้ปั๊บปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตมากมายหลายครั้งเลยแทบเอาชีวิตไม่รอดก็มีเพราะเราไม่ได้ศึกษาในสิ่งที่เราไปเกี่ยวขอ้องนะเนันเองในเยนุนี้เราศึกษาเรื่องการบาลานซ์เวทนาโดยอาศัยการหนักและการเบา การเกิดและการดับเป็นหลักนนตอนนี้เราก็เดินเข้าสู่สถานที่เดี๋ยวอย่าเพิ่งช่วงที่นั่งขณะนี้หนักหรือเบาหนักใช่ไหมลองลุกขึ้นดูความหนักหายไปได้ไงความหนักเมื่อกี้ยังเหลืออยู่หรือกลายเป็นศูนย์แล้มันก็ค่อยคลายไปจากสิบเก้าแปดหกห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วก็ศูนย์ใช่ไหมแต่พอเรานั่งลงอีกทีนึงไปไงเร่มจาก ศูนย์มาเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าเก็บไปเก้าสิบก็สลับไปเหยียอย่างเนี้ยทีนี้เราจะต้องสังเกตขึ้นสังเกตลงว่าจากเก้าลงมาเป็นศนย์ได้ยังไงจากศูนย์ลงไปเป็นสิบได้อย่างไรเนี้ยสังเกตกลับไปกลับมาอยู่อย่างงี้แหละแล้วเราจะรู้ถึงสมขั้นรู้ทั้งศีลรู้ทั้งสมาธิรู้ทั้งปัญญาทั้งหมดเลยแต่มันจะสมมูรณ์ได้เมื่อไหร่เป็นเรื่องของมันแต่เราเราจะเจริญมรรคตัวนี้ไว้ก่อน